เมื่อว่านครูบากระจับหมูปลาไปปล่อยบอกมืออม่อกเมื่อกอนกระจับข้างหนึ่งหมือว่านกระจับอีกต่อกันสองมือเลยมันหมูปลาหนาแลรงมันหิวเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งครูบาก็มีเทคนิคใหม่อีกบ่อยมันเห็นโอ้หมูปลาเนี่ยเรียนรู้เร็วแต่ก็ถึงจะได้ใครบอกพระอยู่ยาประมาทเด้อว่าละมัดระว่างเกตทําสัตว์บลา หมูปลาเนี่ยพล่านปลาเนี่ยเาย่านห้ก็เสือนดว่าดูอิหลหมูปลาเนี่ยแต่ว่ากระปัน ญ, ญาค้นบ่ใดยางวานะวะปัญยาคนเนี่นเหนือกว่าเหนือกว่าซับประซัดทางหลระสัดทางไหลเนี่ยถึงมีปัน ญ, ญาขนาดใดก็ยังด๋อยกว่าด๋อยกว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ย หัวสี่ขึ้นฟ้าพนะวกเหง้าเห็นไหมเวลายางไปนะี่ยหัวสี่ขึ้นฟ้าสัตว์ทั้งหลายมิตรดอยเนะ่ยสมองรอยไปท้างหนาสมองบดีวนไปมนุษย์เนี่ยหัวสี่เพราะนั้นเวลาเอาเปรียบคนเลยเอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายกัน่มนุษย์เอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายทั้งมัดมาพิจารณาเบิ่งแล้วขันว่ามนุษย์เป็นผู้บ่มีศีลมีธรรมเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าพูนบอกว่ามนุษย์นี่เป็นจุดกลางเป็นจุดกลางไปสีขื้นสูงสีล่องตำสีไปใส่สีไปควา้าเดินหน้าเดินหลังฮะอยู่ในจุดของมนุษย์มนุษย์นี่สีไปที่ทาความสั่วเมื่อทาความสั่วตกนรกไปเป็นสัตว์ระชานไปเป็นเปรตมนุษย์ทาความดี กระดำล่องส่งเป็นมนุษย์ไหวคล้ายๆว่ารักษาแฉมวันไปบกบกขืนบกบกเกินมงเกาคัานว่าเท่าท่าความดีไปสู่สวรรค์พร ม, มโลกนิพพานไปได้ไปแต่ว่าพวกสัตว์ฉานพวกต่างๆเนี่ยโดยมากไปยากอย่างเทวดาจรงสิที่พระพุทธเจ้าเพิ่นประเทศอยู่ เทวดาอินพรมเนี่ยเป็นก็ไปได้โยแต่ว่าการพิจารณาน่ยยากกว่ามนุษย์เพราะเป็นของละเอียดเป็นอยู่ในพบพุ่มเทเลเอตเป็นว่าทุกขังอริยสัจจ์มันมองไม่เห็นจักที่มันทุกเนี่ยมันเบ่งมองได้แค่มิต่ความสุขมัดมัไปยังคือ ก, กันกับค้นลวยนะใช่ไหมฮะค้นลวยคนสมประกอบกิจการงานก็ไปได้ขอบครั้วก็ บอดทะเลาะบอดแว่งกิจการงานทุกอย่างมีแต่ความสุขค น, นไปขนาดเพี้ยงแค่นี้เขาก็ยังลืมเลยยังหลงว่าตัวเองมีความสุขก็พ่อแล้วขนาดนี้กยศเจ้จาสแสวงไปหาอยังเขาวัดเขา ว, ว่ากับบจําเป็นหาศีลหาถรมก็บ่อยจำเป็ น, น, อ, ปนอยู่ขนาดนี้พ่ออยู่แล้วนะอันนี้ก็คือเพียงแต่ความสุขเพียงแค่นี้มนุษย์ก็ยังหลงลืมแล้วนะไปบาหานี่เทวดาละ่ะ ยิ่งละเอียดกว่านี้เอาไปนึกคิดอีกยังเป็นมาสมความมุ่งมา่นปรารถนาเพราะว่าเป็นบุญกุศลที่ทรงไปเสวยบุญได้พวกไปเป็นเทวดานี่ไปเสวยสุขสุขกันเอาไปไปเสวยผลบุญกุศลที่เท่าเด้สางไว้แล้วไปเสวยสุขกันเอาไปไม่ต้องพูดถึงมนุษย์มนุษย์ก็เสวยสุขอยูเสวยสุขในระดับหนึ่ง แต่ครับมันขนาดเพียงแค่นี้มนุษย์ก็ยังลืมตัวแล้ววนะ่าว่าข้าพเจ้ามีความสุขกว่านะไปแ ต, ใต่ในสายตาของพระอริยะเจ้าในสายตาของพระพุทธเจ้าพระหันสาวกเพิินว่ามนุษย์เนี่ยถึงสูเจ้าจะว่ามีความสุขกับจริงยุแต่มีความสุขอยู่เพียงระดับน้อยนิดเท่านั้นแหละเออถ้าว่าสูเจ้าคิดให้ดีละ่ะเวลาเจ็บไขรได้ป่วยเ อ, อเวลา ได้สิ่งของมาะสมความมุ่งมาดปรารถนาเวลาถึงข้าวจะตายมากชีวิตของสุเจ้าจะต้องมีจุดจบมือหนึ่งสุเจ้าได้คิดไวไก่ปนันบ๊อสสุเจ้าได้คิดในปัจจุบันเท่านี้การคิดไว้ในอนาคตเลยเห็นบตอสตกรสุเจ้าเป็นอย่งสี่บ๊อสแต่สมัยเป็นได้หน่อยเป็นอย่งไร อต่อมากับเป็นนมเป็นสาวเป็นยังไงเป็นพอบ้านพ่อเมืองเป็นยังไงต่อมาเป็นปูเป็นตาก็เป็นยังไอบานนี่เป็นปูเป็นยาเป็นตาเป็นถวดก็เป็นยังไองบ้านไหนเจ้าได้เบิงไว้บลอกเจ้าทีเป็นยังสันบล็อกเจ้าได้คิดไว้บล็อกแนวจังสันอันนี้ก็คือพลังหันพระพุทธเจ้าพ่อแม่กูบาอาจารย์เพิ่นผ่านไปเล้ยเพิ่นให้เฮาคิดตัวน้นไปเบิงนกแมนบล็อก มันขิดเบิ้มกับแมนความเพินนี่ลหละบาดในเจุ้เจ้าสุขบอบาดในสมัยก่อนใช่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมีขอบมีคั้ควลูกเตา่า้อมเพียงเฮี้ยงหนาก็บอมีความสุขบาดในซักไม่เท่าแขวลุดแขวล้นปวดหลังปวดเอวเข่าโรงพยาบาลอยู่หองไอซไปถามเจ้าสุขบอเดี๋ยวนี้แต่ก็ตอบประดดดนก็ได้ใจขาดก่อนไป ก็เลยวเด็กกลับมาตอบให้พวกเข้าหูใครแมนกลับมาตอบอีกบาดนานนะพวกจะว่าโอ้โ ห, โหทีวอลกรขอขอถอนคําพูดที่วางกันนะวาขอถอนคําพูดทีว่าเอาแล้วข่าวนี่จะไปดินน่นร้อนในยังพ่อสุกมันสุก ส, สบายอยู่แล้วประจาเป็นจะต้องหากว่านีแล้วพอแล้วขนาดนี้ว่าได้ให้ว่าทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนตัวเองก็บวดเดือดร้อนพอทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนพ่ อ, อยูพ่อกินพ่อใส่พ่อซ้อย มันมีความสุขอยู่แล้วจะไปหาอย่างอกดินลอนอย่างอกีกไปคิดอีงอกีกอันนี้คือเป็นความคิดอยู่ในระดับหนึ่งเป็นความคิดของปูตุชนผู้มืดบอดพระพุทธเจ้าปู่ตุชนแปลว่าผู้มืดบอดเขาต้องคิดแบบนี้แต่คิดแบบอริยชนผู้ที่จะหนีออกจากวัตฏสงสารเพิ่นจะบคิดทังสี่แบบเพิ่นต้องขนขวายเพิ่นมองเห็นแล้ววนะ่าน่ ที่ว่ามาเนี่ยทาพันพาลมา เ, เกิดแก่เจ็บตายเถ่าแก่ชรามันโมเมนเลื่อนอยู่โ ม, มเมนต์มองจะอยู่ของเฮ้าอย่างมรณะไพ่ความแก่ชราจะเขามาถึถงเฮ้าอยู่เฮ้าจะเป็นนอนใจน้นอนอกนอนใจชราใจกับสิ่งล้านใดหรือเนี่ยแหละเพลินไก่ส่อแสวงหานะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเพียงคนคว้าในครังนั่นวันไป จึงเป็นพระธรรมคัมสอนรมาให้พวกเข้าประพฤติปฏิบัติถ้าว่าพวกเข้าเชื่อในพระธรรมคัมสั่งสอนของเพิินเท้ากันเดินตามแล้วบ้าอนพะระพุทธเจ้าสอนว่าจะไหนให้ไปยาำตะเกียกตะกายเดินตามเพลินเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแหละเหมือนกับเพิินเป็นผู้นําประทีตินั่งไ فا ่สายซองไปทั้งหนาให้พวกเข้าเดินตามหลังเพิินมันไปเอคือพระธรรมก็คือดวงปฏิบัตล่ะ ยังคือดวงไฟให้พวกเข้าได้ดวงไฟเดินตามดวงไฟที่พระพุทธเจ้าเพ่นบอกกล่าวไว้พวกเขาก็จะถึงจุดหมายปลายทางแต่หาว่าพวกเขามีความสุขเพียงแค่นี้แหละ ก, ก็จบล่ะเพื่อนพวกเข้าทั้งหลายนะอย่าไปนอนใจอย่าไปชลาใจอย่าไปคิดว่ามีความสุขอยู่เพียงแค่นี้ความสุขของเข้ามากไหมทั้งนานี่ ยังมีอีกอยู่อันนี้มันบมันสุกดอกอันนี้มันสุกจอมปลอมตามรักของพุทธศาสนาเพราะน่นไอ้พวกเฮานขนควายนขนควายพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของเฮาหนทางพ้นทุกมีอยู่ตามพระเรียะเจ้าทั้งหลายที่เพิ่นแนนเพิ่นบอกเพิ่นกล่าวให้เฮาศึกษาทาวว่าพวกเฮา มีแต่หาอยู่หากินหาใส่ปากใส่ทองธรรมดาเนี่ยมันมองว่าเห็นเด้คือหนทางที่จะไปสู่สุคติมองหนิ้แล้วว่าไปโหนทางที่จะไปทางรุดพ้นมองหนีมันเหนือกว่าวิชาอาชีพต่างๆทั้งหมดวิชาที่เฮาเฮียนมากเนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์ทักกีแขนงก็ตามกีใบก็ตามเป็นวิชาวกวนเวียนอยู่ในโลกวัฏสงสาร มันไ ม, ม่จะเลียนไปทั้งหนาเรี่ยนหนึ่งนี่ก็เลียนเรียนเรียนเลียนไปก็ว่ามันมีที่สิ้นสุดเลี่ยนคณิตศาสตร์ก็มีที่สิ้นสุ ด, เ ล, นนสสสดเลี่ยนวิทย า, าศาสตร์ก็มีที่สิ้นสุดเรียนวิศวะก็มีทั้งสิ้นสุดเลี่ยนท่านหมอก็มีทั้งสิ้นสุดทุกแขนงวิชาบ่มีทังสิ้นสุดวนไปผู้นี่ตอ่อได้๋ยวนึงผู้นึงตอ่อได้๋ยวนึงเรียบคนสุดกันน่ะเลี่ยนไปจังสันน่ะ แตน่นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่งมาจะไปเลี่อนไปพุนนะวะสันเลี้ยนเขามาหาใจ้ะใจเป็นไงใจเป็นหัวหนา้าใจนี่แหละเป็นผูกภาพไปคิดนั่น<อ>น่ะมันไปตะคุบเง่าของเจ้าของจะซื้อวะสันเพิ่งมาไปคุบเง่าของเจ้าของคุบผุนคุบพี่คุบพี่คุบพุ่นคุบออกไปมาเลยตายทิมจะซื้อเอาเกิดมาอีกชาตินะล่ยคบอีกตายอีกเกิดมาชาตินาคบอีกตายเพราะเหตุอะไรเพราะมันหลง เพราะมันหลงเงาเจ้าของหลงเงาเงาความคิดเจ้าของกระทั่งที่ถูกนี่จะไปจะไปขบเงาเนะ้อพระพุทธเจา้าพระลหันสาวกให้ย้อนขอมาตั่วผูรนะูเนี่ยขามาหาใจนยแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุนีได้พระแม่นี่ขึ้นได้ขึ้นเาดาเด้บ่อได้มันละเอียดตรองทำจิตให้สงบอันรับแรกก็อาศัยการในยินในฟังสะก้อน เือการศึกษาะเมื่อศึกษาแล้วก็คือการเข้าห้องศึกษาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าฉะนั้นศึกษาวิชาอาชีพต่างๆศึกษาเลยก็ลงมือกระทำนะนี่แหละปฏิบัติเออปริยัติเคือการศึกษาปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติจึงจะรูปผลนะปฏิบัติคืออยังเมื่อเฮาเฮียนรูปแล้วให้นั่งสมาธินะวิธีจะเห็นจิตใจดวงเนี่ยนั่งสมาธิบันขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํำกายให้ตรง ดำลงสติเฉพาะหนะกำหนดลมหายใจเข่าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธโบยทรงจิตไปมองอื่นให้ยใจอยู่กับเจ้าของวันไปคณะหนีเวลาหนีให้ยู่กับเจ้าของให้มีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่กับการเป็นอยู่เจ้าของจากนั้นก็จิตสงบเข้าไปกับหูระบาดโอ้ใจของเป็นหนังสี่เด้เนี่ยฮะหูใจของเจ้าของบาดเนี้ก็นั่นแหะหูจักเงินหูจักต้นระบาดนี้ จิตใจระสงค์ออกนอกจากนั้นก็เห็นคนขว้าบืองใจของเจตของเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายค่ายบวยิบหมันถือหมันในร่างกายสังขารจิตใจกดมดจดจากกิเลสระบันเนีอยหูแจงเห็นจริงล่ะความโง่กับความฉลาดอมันอยู่ใส่ความฉลาดก็อยู่กับความโง่เนี่ยละมันโง่ซะก่อนต่อไปขันห้องเรียนรูุมมันก็ฉลาด คือแต่กอนห้าวเฮี้ยนทังสือบุไรทั้งสันต์ต่อมาห้าเฮียนได้แล้วมันก็ฉลาดเกิดขึ้นมาบองหันออมันจากความโง่นะแตะกอนมันโป่งหูบัดนี้มันหู้อันนี้คือการมักผลนิพ่านแตะกอนมันโป่งหูมันหลงแต่บัดนี้ห้าวรูแล้วห้าวบนหลงมันแล้วห้าวคอยรูแจ้งเห็นจริงเนี่ยการปฏิบัติธรรมในหลักของพุทธศาสนาบ่อนิยสงออกนอกสรุปแล้วหิยอนเขามาหาตัวผู้รู้ขึ้นใจยู่หันแล่ววันไป เออหมักผลนิพพานโมเมนอยู่หม่องอื่นกั้นทรงออกนอกไปว่าผิดมดตัวนั่นไปขั้นทรงของมหาใจเจ้าของนั่นนะเพะเห็นหน่อยก็ต้องเห็นหลายล้วทรงมหาตัวผู้รู้นะตัวใจนะเบืงองใจนึกคิดเรื่องอ้อย่างแต่ละมือแต่ละเว้นให้มีสติอยู่หันรับพรในตเนนนะนนะอนุมโมทนาให้พร